ทุกขเวทนาหนึ่งอัทุกขมาสุ ข, ขเวทนาหนึ่งนะครับในสูตรก่อนนั้นไม่ได้ขยายละเอียดนะนั่สูตรนี้เริ่มขยายให้เป็นข้อปฏิบัติให้เห็นชัดขึ้นนะว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายพิกษุพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเพิงเห็นอนทุกขมาสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับ สุขเป็นทุกข์ทุกข์เป็นลูกสอนอุเบกขาเป็นของไม่เที่ยงนะดูความพิสูน์ทั้งหลายก็เมื่อใดแลภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกสรเห็นอทุกขมาสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นพิสษุนี้เรากล่าวว่าเป็นพระอริยะผู้เห็นโดยชอบตัดตัญหาขาดแล้วล่วงสังโยชน์แล้ว ได้กระทําที่สุดแห่งทุกขเพราะการละมานะโดยชอบนะครับสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิสูตใดได้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ได้เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรได้เห็นอทุทคมาสุขอันละเอียดโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบย่อมหลุดพ้นในเวทนานั้น ภิกษุนั้นแลอยู่จบอภิน ญ, ญาระงับแล้วก้าวล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับในสูตรนี้ขยายถึงวิธีทําปริญญาในเวทนานะครับเน้นไปที่ตีระปริญญาเลยนะคือถ้าสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะครับถ้าบทแบบนี้เรียกว่ายาตะปริญญานะครับ แต่ว่าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกสอนเห็นอุกข้มสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็คือเป็นตีรณปริญญานะครับเสร็จแล้วบอกว่าเมื่อนั้นภิกษุนั้นเรากล่าวว่าเป็นพระอริยะเห็นโดยชอบตัดตัณหาได้ขาดแล้วตรงนี้ก็ตรัสถึงการบรรลุอริยสัจนะครับเป็นปะหานะปริญญานะครับแล้วก็ล่วงสังโยชน์ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพอละมานะโดยชอบนะครับนี่ก็กล่าวถึงพระอรหันต์ที่ ปริณิพานนั้นในสูตรนี้พยายามสังเกตดูนะครับถ้าหากว่ากล่าวถึงบทกล่าวถึงสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งโดยมากแล้วจะขึ้นที่ปริญญาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสูตรเหล่านี้เนี่ยนะจะไม่เห็นว่าพูดถึงสีอะไรเป็นต้นนะเพราะว่าสีและวิสุธทธิกจิตตาวิสุธทธิต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะนี้ประกาศกรรมฐานนั้นเนี่ยนี่เป็นวิธีให้กรรมฐานที่เรียกว่าเวทนากรรมฐานนะครับ ในอัตถกถาทุติยะเวทนาสูตรบทว่าทุกขโตท่าตาาความว่าสุขเวทนาพึงเห็นด้วยยาณจักสุว่าเป็นทุกข์ด้วยอํานาจแห่งวิปรินามทุกข์นะครับคือก็คําว่าเห็นเป็นทุกข์ก็คือทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองนะครับทุกข์เพราะแปรปรวนไปบทว่าสารโตท่าตภาความว่าทุกขเวทนาพึงเห็นว่าเป็นเหมือนลูกศรเพราะเป็นทุกขทุกคือทุกขเพราะทนอยู่ไม่ได้นะ โดยความหมายว่านำออกไปได้โดยยากคือโดยความหมายว่ารบกรวนได้แก่มีความหมายว่าบีบคั้นในภายในนะครับรบกวนด้วยนะบีบคั้นในภายในด้วยนะตัวของทุกขเวทนาเนี่ยนะใช่ไมไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจเนี่ยมันรบกวนนะครับไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจก็บีบคั้นในภายในเหมือนกันแต่ละอย่างก็นำออกได้ยากนะครับทุกกายก็นาออกยากทุกใจก็นาออกยา ก, ก น, นะ เพราะฉะนั้นไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนกับลูกศรเพราะมันนําออกยากจริงๆนะครับเสียใจของแต่ละเรื่องเนี่ยนะกว่าจะเอาออกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยที่ไปมีความวิตกกังวลใจไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบทว่าอนิจจโตความว่าอทุกขมสุขเวทนาพึ่งเห็นว่าไม่เที่ยงเพราะมีแล้วกลับไม่มีเพราะมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปในที่สุดนะครับเพราะเป็นของชั่วคราวและเป็นของขัดแย้งกับความเที่ยง น, นะ อันนี้อธิบายคําว่าอ น, นิจจ์นะครับสคําคือหนึ่งลักษณะของคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะครับสภาวะอันนั้นหมายถึงว่ามีแล้วกลับไม่มีสองนะครับเพราะมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปในที่สุดนะครับคือชั่วระยะหนึ่งนะหรือว่าเพราะเป็นของชั่วคราวแล้วก็เพราะเป็นของขัดแย้งกับความเที่ยงนะครับนี่เป็นคําอธิบาย ที่อื่นๆก็จะอธิบายแบบนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในอภิธรรมอายตนาวิพังนะครับเลิมเจ็ดสิบเจ็อ่ะนะอายตนาวิพังอัฏฐะของคําว่าไม่เที่ยงก็อธิบายเหมือนกันนี่แหละครับที่อื่นๆก็ในยะเดียวกันก็ในเรื่องเวทนานี้ถึงเวทนาทั้งหมดก็ต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแม้ก็จริงแต่เพราะพระศ า, าสดาเมื่อจะแสดงเนื้อความนี้ว่า การเห็นทุกเป็นเครื่องหมายแห่งวิราคะเป็นความยินดียิ่งกว่าการเห็นความไม่เที่ยงนะครับว่าดูความพ่สูจนทั้งหลายสุขเวทนาพึ่งเห็นโดยความเป็นทุกขทุกเวทนาพึ่งเห็นโดยความเป็นลูกสอนนะถ้าหากว่าเห็นเห็นทุกเวทนาเนี่ยว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะครับ ก็วิราคะก็จะคลายกำหนัดในสุขเวทนาได้ง่ายเพราะว่าราคะนี่นะจะยึดติดจะเพลิดเพลินในสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าไอ้สุขเวทนาเนี่ยนะมันเป็นตัวทุกข์นะก็จะคลายกำหนัดไม่ยากงั้นนะเพราะฉะนั้นพุทธพจน์ที่ประกาศแบบนี้ให้เห็นวิราคะได้ง่ายนะครับเห็นความไม่ถือมั่นได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคานี้ไว้อย่างนั้นเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่าย ในสังขารทั้งหลายที่ปุตุชนยึดมั่นว่าเป็นสุขนะครับคือไอ้ความสุขนี่นะครับอาศัยอะไรเกิดครับก็อาศัยสังขารทั้งหลายใช่ไหมอาศัยอารมณ์ทั้งหลายแล้วแหละก่อให้เกิดความสุขแต่ว่าไอ้สังขารทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงอะไรเพราะฉะนั้นพอตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับให้เห็นว่าเออสุขที่เกิดจากสังขารทั้งหลายเหล่านั้ น, นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีความจรังยั่งยืนก็จากเบื่อหน่ายแม้กระทั่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขเหล่านั้น ด้วยคําว่าทุกขโตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงความที่สุขเวทนา น, นั้นว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์ประจําสังขารคําว่าทุกข์ประจําสังขารก็คือทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอะไรครับปฏิบายว่าเพราะเหตุที่สุขเป็นวิปริณามะทุกข์โดยพระบาลีว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ประจําสังขารคือวิปริณามะทุกข์นะครับคือทุกข์เพราะไม่เที่ยงอนะแม้แต่สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงนะครับ ดังนี้เนี่ยนะแม้แต่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ดังนี้นะครับอเอาค่ะครับที่เขาเรียกว่าทุกขสัต์ทุกขสัตว์อันน้ไตรงนี้นคือคําว่าทุกขสัตว์เนี่ยนะครับแม้ความสุขก็เรียกว่าความทุกข์อ่าพ่อไม่เที่ยงพ่ไม่เที่ยงครับผมอ่นะทุกขสัตว์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงะนะแต่ที่จริงแล้วแม้แต่มรรคสัต์ก็ไม่เที่ยงนะครับ สมุทยสัตว์ก็ไม่เที่ย ง, ยงนนะถ้าถ้าเอาคําว่าไม่เที่ยงมาจับอนะแต่ทีนี้ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าโดยเบื้องต้นก็เน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่อุปาทานขันห้าการพิจารณายังไม่ได้ต้องพิจารณาอริยมรรคอะไรหรอกเพราะฉะนั้นในช่วงเบื้องต้นเนี่ยนะก็เน้นไปที่อุปาทานขันห้าทั้อุปาทานขันห้าแต่ละอันนี้ไม่เที่ยงแต่ถ้าใช้คําว่าไม่เที่ยงเมื่อไร่นะต้องรู้นะว่าเป็นระดับตีรณ ะ, ะปริญญาเป็นต้นแล้วนะครับ นะเป็นตีรณปริญญาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะครับเรื่องกรรมและผลของกรรมเขามั่นคงเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสุขเวทนาเนี่ยนะก็ต้องมาแบ่งใช่ไหมว่าสุขเวทนาบางอย่างเป็นกุศลสุขเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลสุขเวทนาบางอย่างเป็นวิบากสุขเวทนาบางอย่างเป็นกิรยยิยาอย่างเงี้ยนะเขาก็ต <inadequate S 1> <afar, S 2> <ๆ>้องแบ่งออกแล้วตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับ เขาจึงกล่าวถึงคำว่าไม่เที่ยงตอนหลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะของตีรณะปริญญาและก็ปะหานะปริญญาเป็นต้นนั่นเองเพราะเหตุที่ทุกขเวทนาเป็นทุกขทุกนะครับคือทุกพ่ทนอยู่ไม่ได้สำหรับปุตุชนผู้คิดอยู่ว่าแม้ความสุขยังเป็นถึงเช่นนี้แล้วความทุกจะขนาดไหนเล่านะครับโอ้นี่ขนาด ขนาดสุขนะมันยังไม่เที่ยงเลยนะมันน่าสลดใจมันน่าสังเวชใจขนาดไหนนะครับว่าไ อ, ไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันจะคับแค้นเดือดร้อนขนาดไหนนะครับทีนี้ต่อไปว่าดังนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าทุกขเวทนาเนี่ยนะต้องเห็นโดยเหมือนเป็นลูกสอนนะขนาดสุ ข, ขเวทนามันยังเป็นอย่างเงี้ยนะ แล้วทุกขเวทนาก็ต้องเห็นเป็นลูกศรนเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงว่าเวทนานอกนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์นั่นเองนะครับจึงตรัสว่าอุทุกขมสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับคือทุกข์เพราะไม่เที่ยงอนะแต่ที่จริงก็น่าคิดนะครับว่าถ้าผู้ที่จะเจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยนะครับก็ต้องหมั่นสังเกตนะรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ให้1เวทนาแล้ววันนี้รับกี่อารมณ์นะครับ ครับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ให้1ความรู้สึกนะถ้าจะพูดแบบคร่าวๆนะหนึ่งอารมณ์ให้ต่อหนึ่งเวทนาเช่นตารบทางตาก็หนึ่งเวทนาเวทนาชนิดหนึ่งเวทนาที่เป็นไปทางหูก็เวทนาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็มันแยกแยะสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามวิเคราะห์ไปที่ปัจจัยทั้งหลายนะครับก็จะเข้าใจธรรมะชัดขึ้นอีกนะครับอันหนึ่งบรรดาคําเหล่านั้นด้วยคํานี้ว่าสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงอุบายสาหรับถอนราคะเพราะว่าราคานุสัยนอนเนื่องในสุขเวทนานะครับราคะเนี่ยนะครับหรือราคานุสัยเนี่ยนะมันอาศัยสุขเวทนาใช่ไหมครับสุขเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยแห่งราคานุสัยเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นวิธีการสำหรับการถอนราคะถอนราคานุสัยนะครับ ด้วยคำนี้ว่าทุกขเวทนาต้องเห็นโดยเป็นลูกศรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุบายสําหรับถอนโทสะเพราะปฏิคานุสัยนอนเนื่องในสันดานเพราะทุกขเวทนาน่นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดเนี่ยลูกศร น, นะถ้าพิจารณายอย่างนี้มากๆก็จะไม่มีโทสะว่างั้นแต่ถอนโทสะหรือถอนปฏิคานุสัยได้ ด้วยคำนี้ว่าอาทุคขมสุ ข, ขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอุบายสำหรับถอนราคะโทสะโมหะเพราะอาวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานเพราะอาทุคขมสุ ข, ขเวทนานะครับคือเน้นไปที่ถอนอวิชานะครับเน้นไปที่อวิชชาเพราะว่าอาวิชานุสัยก็นอนเนื่องในอุเบขาเวทนา ส, ส่วนใหญ่นะครับ คิดดูนะว่าอะไรที่อารมณ์เฉยๆก็ไม่อยากพิจารณาอะไรใช่ไหมครับสังเกตดูนะตื่นตัวในการพิจารณาเนี่ยโดยมากสัตวจะไม่ค่อยพิจารณาต่อเมื่อเฉยๆนะครับเช่นนั่งเฉยๆนอนเฉยๆอะไรเฉยๆเนี่ยนะอะไรที่ดูเฉยๆเราจะไม่สนใจเลยนะครับไม่สนใจพิจารณาสังเกตถ้าโทสะเนี่ยนะถ้าโกรธอะไรก็จะเอาเรื่องนั้นมาครุ่นคิดหรือชอบอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นมาครุ่นคิดแต่ถ้ารับรู้อะไรแล้วจิตเฉยๆนะโดยมากก็ไม่ค่อย เอามาใคร่ครวนมาค่อยมาพิจารณาสิ่งนั้นมีปัญหาหนั่นแหละจึงเอามาใคร่ครวนทีหนึ่งเนีนะเช่นอย่างปัญหาเรื่องสมมุตินนะถ้าเป็นพระภิสูจนะ์ะเรื่องผมเนี่ยวันวันหนึ่งแทบไม่เคยเอามาคิดเลยนะเพราะฉนั้นอุเบขาเวทนานี่มันอาศาอยัยอันนี้มากเฉยๆวันวันหนึน่งเนี่ยนะครับแต่อีกระยะหนึ่งนะพอมันมีปัญหาก็เกิดอะไรครับโทสะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดโมหะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิด เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ไม่ดูเหมือนไม่สนใจนะครับสิ่งนั้นรีบเอามาพิจารณาเถอะครับไม่ผิดพลาดแน่นอนเพราะถ้าหากว่าไม่พิจารณานะครับสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจหมดเลยอย่างเช่นการเจริญตรรนปริญญาหรือการทำปริญญาในทุกอารมณ์เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากแม้แต่คนที่เราเกี่ยวข้องทุกคนนะครับควรเอามาทาปริญญาให้หมดเลยนะ ค, ควรเอามาสงเคราะห์ให้หมดเลย เพราะอารมณ์ไหนที่เราไม่เอามาพิจารณาไม่เอามาไตรตรองไม่เอามาทําปริญญาสามนี่นะครับอารมณ์นั้นจะก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อเราเป็นอย่างมากนะครับก่อให้เกิดความคับแค้นใจเป็นอย่างมากเพราะอะไรครับอย่างเช่นจีวอนนะถ้าไม่ค่อยเอามาทําปริญญาไม่ค่อยเอามาพิจารณานะครับเราก็จะเดือดร้อนพ่อจีวออีกนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณามากมากมา ก, ก็จะเฉยเฉยใช่ไหมครับคือไม่เดือดร้อนนะักเมื่ อ, อ สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับดีขึ้นหรือเสื่อมลงจะไม่ไม่ขึ้นไม่ลงมากนะักถ้าทำปริญญาแล้วแต่ถ้าไม่ทำปริญญานะจะ ก, กระเทือนใจเป็นอย่างมากนะครับในทํานองเดียวกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการละสังกิเลสคือตัณหาด้วยพุทธพจน์ข้อแรกเพราะสังกิเลสคือตัณหานั้นเป็นเหตุใกล้ให้พอใจในสุขนะครับ เพราะฉะนั้นโอ้โหตรัสเวทนา3ามเนี่ยนะครับเชื่อมไปหาวิธีการละสังกิเลทัท้งหลายด้วยนะครับทรงแสดงการละสังกิเลตคือทุจริตเพราะพุทธพจน์ข้อที่2นะทุจริตนี่คือความชั่วทางกายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็โดยมากก็จะอาศัยโทสัตเนี่นะครับสัตว์ทั้งหลายจึงจะทําชั่วเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักทุกตามความเป็นจริงจึงประพฤติ ท, ทุจริตเพื่อแก้ทุกขนั้นนะครับ ทำความชั่วเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์นะทรงแสดงการละสังกิเลสคือทิฏฐิด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่3เพราะผู้ที่เห็นอทุกขมสุขโดยความไม่เที่ยงอยู่จะไม่มีสังกิเลสคือทิฏฐินะครับอันหนึ่งทรงแสดงอทุกข์มสุขเวทนาว่าเป็นเครื่องหมายแห่งอวิชชาเพราะความที่สังกิเลสคือทิฏฐิเป็นเครื่องหมายแห่งอวิชชานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวถึงสุขเวทนาโดยความเป็น ทุกทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร อ, อทุกขามาสุ ข, ขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเป็นอุบายละสังกิเลสามนะครับเมืม่อกี้ไม่อยากให้อาจารย์ผ่านไปในเรื่องของปริญญาที่อาจารย์บอกว่า เ, เห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ะใครๆก็าาาตามนะครับควรส่งข้อลงเป็นปริญญาเนี่ยอยากให้อาจารย์ลองลยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นพี่ปิชาเนี่ย เราจะอ่าพิจารณาในแง่ของปริญญาอย่างไรก็สงเคราะห์ปริญญา3ลงไปนะครับยาตะปริญญาตีรณาปริญญาเป็นต้นนะครับในในรูปในบุคคลที่เราเกี่ยวข้องนะนี่เป็นสมมุติกานะแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับอันนี้เฉพาะหน้าแต่ว่าการพิจารณาเฉพาะหน้านี่นะครับบางทีก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรนะ่นักเวลาที่เราหลีเกเลนนะ เวลาที่เราหลีกเน้นนะเรานึกถึงใครตอนนั้นพยายามสงเคราห์คนนั้นโดยขันท่าและก็ปัจจัยนะครับหรือสงเครอบปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นลงในบุคคล น, นั้นให้ได้นะครับนั่นนะเอางี้ก็แล้วกันนะเราโดยมากทั่ทวทวทั่วไปเนี่ยนะก็จะทุกข์ใจเพราะเรื่องหนึ่งญาติญาติที่เราเกี่ยวข้องท้งหมดนะครับสง่งครอ์ลงยาตะปริญญาตีรณะปริญญาเลยนะครับ สงเคราะห์เป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเกิดจากปัจจัยอะไรเป็นต้นเลยนะญาติทุกคนถ้าเป็นไปได้นะครับที่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราพ่ออ่านะพ่อเนี่ยนะเป็นเป็นอายตนะสิบสองอะไรบ้างตาเป็นจักขายตนะสีเป็นรูปลายตนะหูเป็นโสตายตนะคําพูดเป็นศทธายตนะจมูกเป็นคานายตนะกลิ่นของทั้งตัวเป็น คันธายตนะลิ้นเป็นชิวหายตนะรถเป็นรัตนายตนะกายเป็นกายายตนะเนี่ยนะปฐวีธาตุเป็นต้นเนี่ยนะครับในร่างกายนั้นก็เป็นโพธายตนะความคิดทั้งหมดรวมทั้งภวังก็เป็นมานายตนะเจตสิกทั้งหลายที่เกิดในจิตเรานั้นเป็นธรรมายตนะนะครับรูปอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกก็เป็นธรรมายตนะแล้วก็วิจัยต่อไปว่าอายตนะเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับ ตาเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรถ้าพิจารณาของตัวเองแล้วก็พิจารณาของคนอื่นนะจะเห็นชัดในความแตกต่างของเรื่องกรรมรูปเนี่ยนะเกิดจากกรรมอะไรอาศัยปัจจัยอะไรบ้างนะครับแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแล้วก็ไข้ควรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับเหมือนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสงเคราะห์อันนี้ในในสมมติว่าพ่อนะที่เหลือแม่อกีกต้องเอาเอกีกญาติอีกเพื่อนอีกคนที่เรารู้จักทั้งหมดนะ ควรนั่งสงเคราะห์นะครับทีนี้ถามว่าเอ้นี่ก็นั่งนึกสินั่งนึกไปเถอะปัญหามันไม่นึกอะสิทีนี้ถ้านึกอย่างนี้บ่อยๆนะครับจะทําให้เรานี้ไม่ค่อยวิตกกังวลกับเรื่องอะไรมากนะเพราะมันค้าๆกับว่าถอนความเยื่อย่ายไปบ้างนะครับก็จะทําให้ความปริโภทน้อยลงทีนี้ก็ควรพิจารณาอย่างนี้กับหลายๆคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือพิจารณากับตัวเองก็ต้องให้มากด้วย อย่างหนึ่งนะครับแล้วสําคัญที่สุดใจเรานึกถึงใครบ่อยพยายามสงเคราะห์บุคคล น, นั่นแหละลงปริญญาอย่างที่ว่าบ่อยๆแต่คนอื่นๆเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์เป็นต้นก็ควรหยิบมาพิจารณาเหมือนกันคนที่จะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรานะครับเนี่นะเพราะว่าทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเอาบุคคลเหล่านี้มาพิจารณาโดยปริญญาให้ได้นะครับ พอได้ยินพระรูปหนึ่งท่านพูดในยังไงผมผมก็จําไม่ค่อยได้นะทั้งหมดนะนะท่านาคือมันจะมีพระภิกษุษสองรูปคุยด้วยกันนะว่ า, อ, าองค์ที่ท่านหวังดีเนี่ยท่านจะชวนอีกรูปหนึ่งเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันที่สํานักสองแห่งหนึ่งซึ่ง เ, เลือกที่จะประพฤติปฏิบัติตามาพระธรรมวินัยเนี่ยนะฮ ะ, ะ อ, อีกองค์หนึ่งก็บอกว่าผมยังมาไม่ได้หรอกเพราะว่าผมห่วงพ่อแม่ผมะนะ คือยังยังไงยังไงก็ยังสละตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลคือแม้จะเป็นพระเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ขออยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับท่านก็ถามว่าพ่อน่ยอยู่ทางไหนเหรอพ่ออยู่ทางตาเหรอหรือพ่อปรากฏทางหูหรือว่าพ่ออยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่ทรบว่าตรงนี้นี่ถือว่าเป็นยาตาปริญญาอะไรอย่างนี้ได้ไหมถ้าหากว่าต้องดูว่าคํากล่าวนี้ประสงค์อะไรนะครับ คือคือต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับนะการเกี่ยวข้องกับพ่อกับบุตรเนี่ยนะครับลูกกับพ่อเนี่ยนะเป็นธรรมะชั้นศีลนะครับซึ่งศีลเหล่านี้เนี่ยต้องประพฤติให้บริบูรณ์นะครับถ้าไม่ประพฤติบริบูรณ์ทาไมจึงต้องประพฤติครับเพราะทําให้ประพฤติและจะร้อนใจในวันหลังนะครับเพราะว่าเป็นกุศลแธรรมชั้นศีลนะครับเพราะฉะนั้นมาตาปีตูอุปฐานเนี่ยนะครับเป็นมงคลนะครับที่พระองค์ทรงตรัสไว้ แล้วก็ในชาดกทั่วๆไปแล้วก็ในพระสูตรโดยมากกล่าวสรรเสริญการยกย่องถึงผู้มีอุปการะคนที่เรียกว่ามารดาบิดาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกิจที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องประพฤติอันนี้เป็นธรรมะชั้นศรรีอันนี้ต้องประพฤติให้บริบูรณ์เมื่อประพฤติแล้วนี่นะครับค่อยมาหยิบยกพิจารณาอย่างที่ว่านี่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าต้องการจะไม่รับผิดชอบเสร็จแล้วก็เอาเรื่องนี้มาพิจารณาเพื่อตัดปัญหาไม่ใช่นะครับ ต้องแยกในสองส่วนเหล่านี้นะครับเพราะว่าคําที่ว่าตาใช่ไหมเป็นพ่อเป็นต้นเนี่ยนั่นคือคือจะพิจารณาโดยยาตะปริญญานะครับนั่นคือยาตะปริญญาแต่ทีนี้ถ้าถ้าคําพูดสองคำเนี่ยมันก็ขัดกันอยู่ในตัว mm hmm. คือคล้ายๆปฏิเสธเรื่องศีลแต่จะเอาปริญญาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหานะคะรับพันระยะยาแล้วก็จ ะ, ะการประพฤติปฏบิบัติธรรมก็น่าจะสับสนทําไมจึงกล่าวว่าสับสนเพราะว่ากุศลศีลไม่บริบูรณ์นะครับ นะครับค่าค่าวรลัตไปนะรกระโดดข้ามเรื่องศีลไปเพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนหรือบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจึงพิจารณาโดยในชั้นศีลเพราะในชั้นศีลเนี่ยนะครับถ้าไม่ประพฤติมันจะนําความเบื่อร้อนใจมาให้ในภายหลังอย่างแรงนะครับแต่ถ้าในชั้นของสมถะวิปัสสนานั้นก็เป็นความสามเณรของบุคคลนั้นที่จะเจริญต่อไปแต่ว่ามาตรฐานโดยพื้นฐานเนี่ยกุศลศีลนะครับแต่ที่สำคัญว่าพระองค์นั้นเนี่ยเมื่อท่านไปที่อ้างว่า จะต้องหรือเป็นห่วงพ่อเนี่ยนะครับยมพ่อเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้นะฮะท่านก็ไปอยู่ในวัดที่ต้องเกี่ยวข้องกับการรับเงินรับทองรับอะไรต่างๆอยู่เพื่อที่จะเอาตรงนั้นไปให้พ่ออย่างเงี้ยนะแต่ถ้าตรงนี้ก็มันก็พูดยากนะครับว่าไม่ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยจะอนุวตัตตามลูกหรือเปล่านะครับหมายความว่า ถ้าหากว่าอยู่ในที่ที่รักษาศีลไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากว่าขอร้องพ่อพ่อเห็นประโยชน์ของธรรมวินัยเป็นต้นไหมแล้วก็ชวนไปอยู่ที่อื่นได้ไหมที่พระลูกสามารถจะรักษาศีลได้นะครับซึ่งกุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องใช้ศาสตะสัมปชัญญะค่อนข้างสูงมากแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกเนี่ยนะครับน่าจะใช้ประโยคะค่อนข้างสูงจริงๆนะครับจึงจักเป็นไปได้นะครับ ต้องตื่นตัวกว่าคนอื่นหลายเท่านักนะครับจึงจะสามารถทําให้บริบูรณ์ทั้งสองประการนี้ได้นะครับนั่นะนะเพราะฉะนั้นปัญหาสําคัญที่สุดก็คือเรื่องอย่างนี้ก็ควรที่ปรึกษาบัณฑิตเฉพาะตัวไปนะครับว่าเล่าปัญหาที่เป็นจริงให้เขาฟังแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาอันนั้นๆไปตามการแก้ปัญหาที่เป็นจริงนี้เราก็คุยกันแค่กว้างๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามองในเชิงของเอาไปใช้เป็นรูปธรรมก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับ แต่ก็จะชี้แจงว่าลำดับไหนเป็นขั้นศีลลำดับไหนเป็นสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นนะครับการเจริญโดยขั้นศีลก็เป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นเรียกว่าเป็นจารีตศีลที่จะต้องประพฤตินะครับแล้วก็ถ้าหากว่าประพฤติโดยชอบแล้วก็การใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้เป็นกิจที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้เจริญเลยนะครับการพิจารณาโดยอายตนะขันเป็นต้นเนี่ยนะครับ